บทที่สาการเกิดระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ใหม่อุดมการณ์ของพณะราษฎรที่ต้องการสร้างระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและทรงอยู่เหนือการเมืองตามต้นแบบประเทศอังกฤษเพื่อความวัฒนาถาวรของประเทศชาติเป็นอันสิ้นสุดเมื่อฝ่ายนิยมเจ้ารวมตัวกันจัดตั้งพรรคประชาธิ ป, ปัตย์และทำแนวร่วมกับฝ่ายจอมพลปโดยอาศัยเหตรุรอบวงพระชมรัชะกาลที่8เมื่อ9้ามิถุนายนสองพแปดเ ทำรัฐประหาร8พฤศจิกายน2490โค่นล้มอำนาจฝ่ายปีดีพนมยงคัดัตูร่วมโดยป้ายสีว่าเป็นผู้วางแผนรอบรงพรชนเพื่อจะสถาปนาระบอบมหาชนรัฐนับจากนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นการก่อตัวของระบอบประชาธิปไตยที่กนพการที่เรียกว่าระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ใหม่ความขัดแย้งเจ้าคณะราช การปฏิวัติของคณะราษฎรเมื่อ24มิถุนายน2475เป็นการโค่นล้มระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์โดยเปลี่ยนฐานะจั ก, กรพรรดิในฐานะเจ้ามหาชิษุ์ที่อยู่เหนือกฎหมายกลายมาเป็นเพียงประมุขแห่งรัฐโดยมีฐานะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเหมือนประชาชนทั่วไปเป็นความโปรธแค้นของฝ่ายกษัตริย์และราชวงศ์อย่างยิ่งอีกทั้งคณะราษฎรก็ได้ออกประกาศฉบับที่หนึ่งเปิดโปงความจริงที่ชั่วร้ายของกษัตริย์และราชวงศ์ พอทรงแต่งตั้งญาติวงและคนสพไลค่คุณความรู้ให้ดํารงตําแหน่งที่สําคัญสําคัญไม่ทรงฟังเสียงราษฎรมีการรับสินบนในการก่อสร้างและซื้อของใช้ในราชการกดกี่ขมเหงราศดรปล่อยให้ราษฎรทุกยากลําบากแต่พวกเจ้ากลับนอนกินกันเป็นสุขคําประกาศกังกล่าวได้ตอกย้ําถึงความขัดแย้งระหว่างฝ่ายเจ้าและชนะราษฎรที่ไม่อาจจะมีประนอมได้และในปีรุ่งขึ้น ปลายปี2476ฝ่ายเจ้าภายใต้การนำของคนเอกพระองค์เจ้าบาวรเดชเป็นแม่ทัพใหญ่และพันเอกพญาศรีสิทธิ์ที่สงความในดินท่าดาษเป็นรองแม่ทัพก็ได้รวบรวมกำลังทหารหัวเมืองโดยใช้เมืองนครราชสีมาเป็นศูนย์กลางภายใต้ชื่อคณะกู้บ้านกู้เมืองยกกำลังมาทางรถไฟบุกเข้าพระนคร ฝ่ายคณะราษฎรมีพันโทหลวงพิ่บุญสงครามจอมพลปอพิ่บุญสงครามเป็นผู้อำนวยการฝ่ายปรากาเกิดการประทะกันที่ทุ่งดอนเมืองฝ่ายพระองค์เจ้าบวรเดชเป็นฝ่า ย, ายพ่ายแพ้พันเอกพยาศรีสิที่สงครามตายในที่รบคณะกู้บ้านกู้เมืองจึงถูกบันทึกในประวัติศาสตร์ว่ากระบฏบวรเดชจะได้มีการสร้างอนุสาวรีย์ราบกบฏไว้เป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะ ของคณะราษฎรโดยเรียกชื่อว่าอนุสาวรีย์ปรากรบกบฏปัจจุบันถูกเปลี่ยนชื่อใหม่เพื่อไม่ให้กระทบกระเทือนใจฝ่ายเจ้า ว, ว่าอนุสาวรีย์หลักสิ่ซึ่งตั้งอยู่ที่สีแยกหลักสิ่หลังจากฝ่ายกบฏบอรเตะพ่ายแพ้คณะราษฎรก็ได้ทำการกวาดล้างขุ่มกำลังของฝ่ายเจ้าโดยจับกลุมดาเนินคดีผู้ดเกี่ยวข้องและต้องสงสัยเป็นนวนมากส่งฟ้องสารสามรอยสี่สิบหกคน มีการตั้งสารพิเศษตัดสินลงโทษในขั้นต่างๆ250คนและที่ไม่ถูกลงโทษจากสารจะถูกปลดออกจากราชการมากถึง117คนและจากเหตุการณ์นี้ได้ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลคณะราษฎรกับพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ไม่ราบรืดือยู่แล้วต้องเลวร้ายหนักขึ้นอีกโดยฝ่ายคณะราษฎรมีความเห็นว่าพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า เป็นผู้สนับสนุนก บ, บทบอนเด็กและอยู่เบื้องหลังการวางแผนโค่นลมรัฐบาลซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญประการหนึ่งทำให้พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าชละรสมบัติเมื่อ2มีนาคม2477ความขัดแย้งระหว่างฝ่ายเจ้ากับคณะราษฎรแสดงให้เห็นเด่นชัดในรัฐธรรมนูญฉบับปี2475ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญถาวรฉบับแรกของไทย ประกาศใช้10ธันวาคม2475มาตรา11กำหนดห้ามพระบรม ม, มงกานุวงศ์ชั้นสูงยุ่งเกี่ยวกับการเมืองและในยุคที่จอมพลปพิบูลสงครามได้ก้าวขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็ได้ยกเลิกบรรดาศักดิก์แบบขุนนางในวัฒนธรรมของศักดินาทั้งหมดโดยเมื่อ6ธันวาคม2484คณะรัฐบาลภายใต้การนำของจอมพลปได้ลาออกจากบรรดาศักดิ์ทั้งหมดเป็นตัวอย่าง และต่อมาเดือนพฤษภาคมสองสี่แปห้าก็มีประกาศพระบรมราชองค์การยกเลิกบรรดาศักดิ์ทั่วประเทศราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ห้าสิบเก้าหนึ่งศูนย์แเก้านับแต่นั้นจึงมีการเปลี่ยนชื่อนามสกุลกันมากบุคคลสำคัญที่เปลี่ยนชื่อนามสกุลได้แก่จอมพลหลวงพิบุลสงคารามเป็นจอมพลปอพิบูลสงคารามหลวงประดิตมนูธรรมเป็นนายปรินจีพนมยง พลตำรวจตรีหลวงอดุลเดชจลัดเป็นพลตำรวจตรีอดุลอดุลเดชจลัดหลวงโกวิ์อภัยวงศ์เป็นนายควงอภัยวงศ์พลเรือโทหลวงสิงห์สงครามชายัยเป็นพลเรือโทสิงห์กมลนาเวตกมลนาเวนวพลตรีพักบริพั ยุทธกิจเป็นคนตรีเ่าเพียนเลิศบริพัตบริพันธ์ยุทธกิจพลอากาตรีพระเวทยันตลางสิทธิ์เป็นพลากาศตรีมมนีมหาสันทนะเวชยันตลางสิทธิ์หลวงนาลือเบสมาณิสเป็นนายสงวนจุทะเตมี นาวาการเอกหลวงทำลงนาวาสวัสดเป็นนาวาการถวันเป็นนาวากัร เ, เอกถวันทำลงนาวาสวัสดพลโทมหา พ, พรหมโยธีพลขอโทษค่ะพลโทหลวงพยอมหลวงพรหโยธีพลโทหลวงพรหโยธีเป็นพลโทมังกรพรมโยธีพลโทหลวงเป็นศักดิชิต เป็นพลโทพิชิตเปลี่ยงศักดิ์พิชิตพลโทพญาพหพนพลพรยุหะเสยนาเป็น พ, นโ พ, พลโทพศพหนโยธินทันเอกขุนจรดตรลปะปัดเป็นพันเอกจรดปรด ต, รดตรอลปะปัดพิบูลพานุวัตรหลวงวิจิตวาธการเป็นนายวิจิตวิจิตวาธการพญาสีเสยนา เป็นนายศรีเสนาสมบัติสุลิขคณะราชล้างอำนาจกษัตริย์ไม่เสร็จสิ้นแม้พัฒนาการทางการผลิตของสังคมไทยในขณะนั้นจะได้ก้าวเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมแล้วจะยังเป็นระยะเริ่มต้นราษฎรส่วนใหญ่ยังเป็นเกษตรก ร, กรดำร ง, งชีวิตด้วยการผลิตเพื่อบริโภคเป็นหลักไม่ใช่ผลิตเพื่อเป็นสินค้า เป็นวิถีชีวิตการผลิตแบบพออยู่พอกินซึ่งก็คือวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่ก้าวติด่อกันอยู่ในปัจจุบันและวัฒนธรรมความคิดของราษฎรส่วนใหญ่ยังติดยึดอยู่กับระบบเจ้าขุนมูลนายและความเชื่อเรื่องบุญทาํากรรมแต่โดยเชื่อว่าความยากจนในชาตินี้เป็นผลมาจากชาติที่แล้วราษฎรส่วนใหญ่ยังไม่มีความเข้าใจต่อเรื่องสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคทางสังคม ซึ่งเป็นวัฒนธรรมของระบบเศรษฐกิจทุนนิยมผู้ที่เข้าใจและต้องการเห็นความเสมอภาคทางสังคมจึงเป็นคนส่วนน้อยในขณะนั้นด้วยเหตุนี้เองการปฏิวัติของคณะราษฎรจึงยังไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงระบบ ก, การปกครองของกษัตริย์ได้อย่า ง, องาถอนลากถอนโคนซึ่งแตกต่างจากการปฏิวัติใหญ่ในฝรั่งเศสรัสเซียและจีนที่ล้มสถาบันกษัตริย์อย่างเ ส, ส้นซ่าเมื่อคณะราษฎรโค่นล้มอำนาจกษัตริย์ลงได้เมื่อ2เมื่อ24มิถุนายน2475 ก็มีการประมีประนอมกับฝ่ายเจ้าในเรื่องการใช้รัฐธรรมนูญการปกครองและการแต่งตั้งนายกรู้มนตรีคนแรกโดยเริ่มแต่ตั้งแต่เปลี่ยนฐานะของธรรมนูญการปกครองฉบับแรกที่ล่างโดยหลวงประดิษฐ์มนูธรรมฟรีดีพนมยงทีคณะร่านมุ่งที่จะนำมาใช้เป็นธรรมนูญการปกครองฉบับถาวรที่เหมือนกับการปฏิวัติใหญ่เปลี่ยนแปลงการปกครองทั่วไปกล่าวคือตามร่างเดิมไม่มีคำว่าชั่วคราว แต่เมื่อทูลเกล้าถวายต่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าพระองค์ได้เติมด้วยลายพระหัตถ์ว่าชั่วคราวลงไปซึ่งคณะราษฎรก็ยินยอมเป็นผลให้ต้องร่างรัฐธรรมนูญใหม่โดยตั้งคณะกรรมการร่วมกันระหว่างฝ่ายคณะราษฎรกับฝ่ายเจ้าและมีการมอบรัฐธรรมนูญฉบับถาวรฉบับแรกเมือ่อ17พฤศจิกายน2475และหลังจากนั้นมาก็มีการฉีดรัฐธรรมนูญและร่างใหม่เป็นของเล่น และหนึ่งในคณะกรรมาการร่างและทำนุนซึ่งเป็นตัวแทนของฝ่ายเจ้าก็ได้รับความเห็นชอบให้มาเป็นนายกมนตรีคนแรกคือพยามโนปรกรณ์ิติตาดาเมื่อมีการประนีประนอมอำนาจการเมืองกันเช่นนี้การถอนลากถอนโคนทางอำนาจที่จะกระทําต่อฝ่ายเจ้าด้วยการยึดทรัพย์อันเป็นฐานอำนาจทางเศรษฐกิจเป็นฐานอำนาจที่แท้จริงของฝ่ายเจ้าจึงไม่เกิดขึ้น ดังนั้นแม้ความขัดแย้งทางอานาจระ ห, หว่างฝ่ายคณะราษฎรกับฝ่ายเจ้ายังดำรงอยู่โดยคนะราษฎรมีอำนาจเป็นด้านหลักในฐานะเป็นฝ่ายกระทํำในระยะเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงการปกครองก็ไม่อาจจะทําลายฐานอานาจของฝ่ายเจ้าได้และด้วยสภาวะทางสังคมดังกล่าวข้างต้นเป็นผลให้แนวคิดอุดมการทางการเมืองที่คณะราษฎรมุ่งหวังให้ระบบ ก, การปกครองของไทยเป็นประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุกแบบอังกฤษ โดยปราสั์และราชวงศ์ทรงอยู่เหนือการเมืองจึงเป็นไปได้โจยยากโดยวัฒนธรรมของไทยยังติดยึดอยู่กับความเชื่อเรื่องสมชั้นวันนัตเป็นเรื่องของบาปบุญสัจชาติปางก่อนอันเป็นผลจากระบบเศรษฐกิจการผลิตแบบสัตีนาที่ผลิตแบบพออยู่พอกินพึ่งพิงธรรมชาติถึงแม้นายปรีดีพนมยงจะได้เห็นปัญหาทางวัฒนธรรมที่ไม่เอื้อต่อต่อระบอบประชาธิปไตยเช่นนี้ และพยายามจะสร้างคนรุ่นใหม่ที่ตื่นตัวต่อสรีสิทธิภาพและความเสมอภาคอันเป็นวัฒนธรรมใหม่ซึ่งเป็นรากฐานของระบบประชาธิปไตยโดยการตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองขึ้นแต่แล้วก็ไม่อาจจะขัดขวางการฟื้นตัวของอำนาจของฝ่ายเจ้าที่พัฒนาขึ้นมาเป็นระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชใหม่เช่นทุกวันนี้ได้ความขัดแย้งของคณะราษฎรเปิดเงื่อนไขเจ้าฟื้นอำนาจ เมื่อจอมพลปพิบูลสงคารามเข้ามามีอำนาจทางการเมืองในระยะแรกก็ยังยืนยันในแนวทางการปฏิวัติของคณะราษฎรโดยร่วมมือกับแกนนําของคณะราษฎรคือนายปรีดีพนมยงในการปิดกั้นการขยายตัวทางอำนาจของฝ่ายเจ้าแต่เมื่อครองอำนาจนานเข้าจอมพลปพิบูลสงคารามก็ลุกแกมอำนาจมากขึ้นจนผิดแนวทางกลายเป็นผููปฏิบัติการด้วยการสร้างรัฐทหาร ให้เขมแข็งจนเกิดความขัดแย้งกับฝ่ายประชาธิประายพาลเรือนที่มีนายปรีดีพนมยงเป็นแกนนําเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่สองที่ญี่ปุ่นประกาศตัวเป็นฝ่ายอักษะและยกกําลังบุกเอเชียโดยผ่านประเทศไทยโดยฝ่ายจอมพลปอได้ประกาศตัวร่วมรบกับฝ่ายญี่ปุ่นและประกาศสงครามกับฝ่ายสัมพันธมิตรเหตุการณ์ต่างๆได้ส่งผลให้คณะราชที่มีความขัดแย้งภายใน อยู่เดิมแล้วกลายเป็นความแตกแยกและเป็นศัตรูกันโดยฝ่ายจอมพลปในฐานะรัฐบาลเข้ากับฝ่ายญี่ปุ่นซึ่งเป็นฝ่ายอักษะและฝ่ายนายปรีดีก็ได้ก่อตั้งขบวนการเสรีไทยโดยเคลื่อนไหวต่อต้านญี่ปุ่นและรัฐบาลจอมพลปในประเทศไทยซึ่งการต่อต้านญี่ปุ่นในขณะนั้นเป็นกระแสแนวคิดของฝ่ายเสรีนิยมที่ไม่ชอบระบอบอำนาจรัฐทหารดังนั้นคนไทยในต่างประเทศโดยเฉพาะที่อังกฤษ และสหรัฐอเมริกาก็เกิดการรวมตัวกันต่อต้านรัฐบาลจอมพลปและญี่ปุ่นด้วยโดยมีฝ่ายเจ้าที่ไปศึกษาต่อในต่างประเทศเป็นแกนนำตรงจุดสําคัญทางประวัติศาสตร์นี้เองจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการฟื้นอนํานาจของฝ่ายเจ้าอย่างเป็นฝ่ายกระทำโดยพวกเชลเพอวองในต่างประเทศได้จัดตั้งขบวนการเสรีไทยขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยการนาของหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมช ขบวนการเสรีไทยในอังกฤษโดยมีหม่อมเจ้าสุพสสสัชวัตรวงศ์สนิทสวัสดิวัตรพระเชษฐาของสมเด็จพระนางเจ้าลัมไพพันมีพระราชนิยในรัชากาลที่เจดเป็นหัวหน้าคณะส่วนขบวนการเสรีไทยในประเทศไทยหัวหน้าคณะก็คือนายปรีดีพนมยงค์ผู้สำเร็จราชาการแทนพระองค์ในรัชากาลที่แปในขณะนั้น เมื่อเสร็จสิ้นสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งญี่ปุ่นเป็นผู้แพ้สงครามเป็นผลให้อำ น, นาจของรัฐทาหารของจงพลปอต้องอ่อนตัวลงจอมพลปอี่บุลสงครามกลายเป็นอชญากรสงครามโครงสร้างอำ น, นาจทางการเมืองใหม่จึงเป็นของฝ่ายเสรีไทยซึ่งเป็นฝ่ายปดีดีและฝ่ายเจ้าเป็นผู้นำเหตุการณ์สำคัญในสภาผู้แทนราษฎรเมื่อปี2487 เกิดขึ้นเมื่อจอมพลฟอพิบูลสงคารามได้ลาออกจากนายกผู้มนตรีเมื่อ24กรกฎาคม2487โดยหวังว่าเสียงส่วนใหญ่ในสภาจะเลือกจอมพลฟอพิบูลสงคารามกลับมาใหม่แต่เสียงสใสในสภาในส่วนของปีดีพนมยง์ได้ผึ้นเดือดลังกับสายเจ้าเลือกนายควงอภัยวงศ์ขึ้นเป็นนายกผู้มนตรีขณะนั้นยังไม่ได้ตั้งพรรคประชาธิปัตย์โดยนายปีดีพนมยงขณะนั้นดำรงตําแหน่งเป็นผู้สําเร็จ ร, ราชการแทนพระองค์และราชรัชการที่8 เป็นผู้ลงนามแต่งตั้งในควงอภัยวงศ์และรัฐบาลได้เสนอ ย, ยัตติ ด, ด่วนเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญเข้าสูนสภาเมื่อวันที่๙ก ร, รกฎาคม๒๔๘๘โดยมีสาระที่สําคัญคือให้ยกเลิกมากตรา๑๑ที่ว่าด้วยการห้ามพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นสูงรุ่งเกี่ยวกับการเมืองจุดการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูนที่เปิดทางให้ฝ่ายเจ้าเข้าสู่การเมืองได้นี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นอย่างเป็นทางการของการฟื้นอานาจของฝ่ายเจ้า ที่พัฒนากระบวนการการะสวมหน้าที่เข้มแข็งอีกครั้งหนึ่งจนกลายเป็นระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ใหม่ที่ขัดขวางพัฒนาการของระบอบประชาธิปไตยอยู่ในขณะนี้กรณีรอบวงพระชนจากวิกฤตเป็นโอกาสในภาวะการที่ฝ่ายคนะราษฎรเกิดความแตกแยกกันแตกแยกกันระหว่างฝ่ายทหารจอมพลปทุนสงครามกับฝ่ายของฟรีดีพนมยง แต่ด้วยนายปรีดีมีความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยและมีสายตาที่าายาวไกลกว่าจึงได้จัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นก่อนเพื่อเตรียมการเคลื่อนมวลชนกระดมสมาชิกเพื่อปูทางสู่ชัยชนะในการเลือกที่นายปรีดีเตรียมการผลักดันให้สังคมไทยก้าวเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยสมบูรณ์แบบซึ่งถือเป็นพรรคการเมืองที่เป็นทางการเป็นครั้งแรกในนามพรรคสหสชีพและส่งผู้สมัครสสในนามพรรค ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่6มกราคม2489ฝ่ายเจ้าก็จัดตั้งพรรคการเมืองเข้าต่อสู้ในนามพรรคประชาธิปัตย์จัดตั้งเมื่อ6เมษายน2489ซึ่งตรงกับวันจกักรตีโดยมีแกนนําสำคัญคือนายควงอภัยวงศ์และพี่น้องราชสกุลปรามโมชและในการเข้าสู่การเมืองของหม่อมราชวงศ์ครึกฤทธปรามโมชนั้นก็ได้ประกาศนโยบายชัดแจ้งว่าจะแอนตี้พวกผู้ก่อการ 2475ทุกวมีดีทางและหอมมะชงคึกฤกธิ์สามโอตเองก็ได้ประกาศเจตนารมณ์ด้วยการเขียนบทความลงในหนังสือประชามิตร12ธันวาคม2488เรื่องข้าพระเจ้าเป็นรอยเลสโดยยอมรับว่าตนเองเป็นฝ่ายเจ้าและไม่พอใจพวกคณะราช ด, ดังนั้นการปรากฏตัวของพรรคประชาธิปัตย์จึงเป็นสัญญาณบ่งชี้ให้เห็นถึงการฟื้นอนํานาจทางการเมืองของฝ่ายเจ้า ที่ขยายเติบโตขึ้นอย่างเป็นระบบนับตั้งแต่ต้องคลี่ความจาัด ก, การยึดอำ น, นาจของกลุ่มสามัญชนที่ใช้นามว่าคณะร้ายตะเพียงสองเดือนหลังจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดหมายมาก่อนคือกรณีสมรรนค ต, ตของพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลรชัชกาลที่แโดยพระแสงปืนเมื่อเช้าของวันที่9มิถุนายน2489ซึ่งกลายเป็นวิกฤตทางการเมืองในขณะนั้นด้วยเพราะเป็นเงื่อนงำที่ยากแก่การไขปริศนาในขณะนั้น และต่อเนื่องยาวนานมาจนถึงทุกวันนี้ว่าสาเหตุที่แท้จริงเป็นอุบัติเหตุหรือการลอบลงพระชนกันแน่จากการวินิจฉัยเหตุการ์ครั้งแรกในวันนั้นระหว่างอธิบดีกรมตำรวจอธิบดีกรมการแพทย์นายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีมหาไทยพร้อมด้วยเจ้านายชั้นผู้ใหญ่เช่นกรมขุนชัย น, นาทนเรนนเรนทรพระราชนานีพระราชอนุชาต่างก็มีความเห็นว่ากรณีนี้เป็นอุบัติเหตุ ดังนั้นสำนักพระราชวังจึงเป็นผู้ออกแถลงการเมื่อเก้ามิถุนายนสอง9สี่แดเกมีข้อความว่าได้ความสันนิษฐานว่าคงจะจับคำพระแสงปืนตามพระราชอัจยาศัยทีส่งชอบแล้วเกิดอุบัติสวะเหตุขึ้นแต่ปรากฏว่าพรรคประชาธิปัตย์ได้ใช้กรณีนี้ขึ้นมาเป็นประเด็นการเมืองเพื่อทำลายศัตรูทางการเมืองของฝ่ายเจ้าคือในปีพนมยงบทบาทของพรรคประชาธิปัตย์ในปีสองสแเก้า ไม่ต่างจากบทบาทของพรรคประชาธิปัตย์ในปัจจุบันที่ใช้สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นเครื่องมือในการทําลายศัตรูทางการเมืองที่ตนไม่อาจเอาชนะทางการเมืองได้คือกรณีคนตํำรวจโทรทัศน์ินชินวัตรคนตํารวจโทรทัศน์สินชินวั ต, ทต ร, ท, รตที่เป็นอยู่ในปัจจุบันในขณะนั้นพรรคประชาธิปัตย์ได้ใช้เหตุการณ์สมรภูษกล่าวโจมตีว่าเป็นเหตุการณ์รอบโรงภาพยนโดยตีพิมพ์เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์จิทธิพนของนายทังไหน สุวรรณทัศน์สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์เป็นฉบับแรกและติดตามและตามติดด้วยการตีพิมพ์ในหนังสือพิมพม์เกียรติศักดิ์หนังสือพิมพ์ประชาธิปไตยหนังสือพิมพ์เสรีและพรรคประชาธิปัตย์ได้ใช้ประเด็นนี้ขยายผลกลายมาเป็นการโจมตีรัฐบาลของนายกรีดีและนำประเด็นนี้ไปฉั่งปลาใสาหาเสียงสุกปั่นให้เป็นความรับผิดชอบของนายกรรมาธิปไีดีพนมยงค์ โดยมอ ม, มอราชวงศ์พฤกติจามโอดและนายเนียงชายการซอสสประชาธิปัตย์ในขณะนั้นได้ใช้ให้คนไปตะโกนในโรงภาพยนตร์ว่าปีดีฆ่านายหลวงในที่สุดจากแถนงาการสำนักพระราชวังว่าเป็นเรื่องอุบัติเหตุก็ได้กลายเป็นกรณีรอบรงพระชนโดยมีการจับตัวผู้ต้องสงสัยพิษทหารมหันตเล็กในวังที่เป่าห้องบรรทมและพักพวกขึ้นศาลสืบพยานและขยายผลเป็นประเด็นการเมืองทําลายฐานการเมืองของนายของฝ่ายนายปีดีพยพนธน์ยง โดยพาพี่นิชชนคดีที่เคยของหม่อมราชวงศ์พฤกลีกราโมดได้ปั้นพยานเท็จขึ้นโดยจ้างนายตีสีทุวันเป็นผู้ยืนยันให้ให้การว่าเห็นเหตุการณ์วางแผนลอบลงพระจนของนายกีษฎีพนมยงและศาลได้จัดเป็นประหารชีวิตมหาเล็กที่เฝ้าห้องบรรชมสองคนคือนายชิชเปิงขะเสนีนายบุตรปัรมสลินและบุคคลภายนอกคือนายเฉลียวปทุมรถที่ถูกป้ายสีว่า เป็นผู้ใกล้ชิดนายปรีดีซึ่งต่อมาก่อนที่นายสีสุวันจะถึงแก่ความตายด้วยโรคชลาก็เกณฑ์กลัวบาดึงได้ไปสารภาพผิดโดยทําบันทึกเป็นเอกสารต่อท่านปัญญานั้นพทภิขุปเจ้าวาดวัดชนประธานเมื่อวันที่25มกราคม2522โดยสารภาพว่าพระพินิชชนคดีอธิบดีกรมตํารวจและเป็นพี่เขยของหม่อมราชวงศ์คึกกื่อกราโมดได้เคลียรได้ครยรกลอบว่าจะให้เงินเลี้ยงนายสีจนตาย โดยจะให้เงินจํานวน 20,000 บาทแต่เมื่อให้การแล้วพรกฟินิชได้ให้เงินเพียง 500-600 บาทและให้ในายติ๊กยือยู่หลับนอนอยู่ที่สันติบาลประมาณ2ปีเศษวิกฤตสวรรคตรสู่รัฐประหาร8พฤศจิกายน2490จากวิกฤตกรณีสวรรคตรของพระเจ้าอยู่หัวอันนันทบพิตรดลได้ถูกพักประชาธิปัตย์ถกชิงไปขยายผลเป็นประเด็นทางการเมือง เพื่อทำลายศัตรูทางการเมืองคือนายปรีดีพนมยงค์และพวกซึ่งเป็นที่ชิงชัยของฝ่ายเจ้ากลายเป็นภาวะวิกฤตทางสังคมและจากภาวะความตันปูนทางการเมืองในขณะนั้นที่กลุ่มทหารภายใ ต, ใต้การนำของจอมพลปพิบูลสงครามซึ่งอ่อนกำลังลงไปจากกองทีญี่ปุ่นมิตรร่วมรบของรัฐบาลทหารจอมพลปพิบูลสงครามต้องแพ้ในเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่สองแต่ต้องการฟวงชิงอำนาจัฐกลับคืนมา ยิงได้ทําแนวร่วมกับฝ่ายเจ้าที่เห็นว่าปีดีขนมยงเป็นศัตรูหลักฝ่ายทหารของจอมพลปจึงจับมือกับพรรคประชาธิปัตย์ที่มีแนวคิดนิยมเจ้าทําการยึดอํานาจในเวลา21นาฬิกาของวันที่8พฤศจิกายน2490ภายใต้การนําของจอมพลถิ่งชุนธวันเมื่อทําการยึดอํานาจสําเร็จแล้วก็ตั้งให้ในายทวงอภัยวงศ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เป็นนายกรัฐมนตรีจัดตั้งรัฐบาล ความเหมือนคล้ายรัชประหาร8พฤศติกายน90กับ19กันยายน49การรชัชประหารเมื่อ8สฤศติกายน2490มีสถานการณ์ที่เหมือนคล้ายกับการยึดอำนาจเมื่อ19กันยายน2549ในสถานการณ์ทางการเมืองสภาพแวดล้อมของสังคมโลกและตัวละครของพรรคการเมืองคู่กรณี ดังนั้นในที่นี้ผู้เขียนขอนําเหตุการณ์บางประการที่เหมือนคล้ายกันมาเพื่อศึกษาเป็นบทรเรียนและเพื่อประโยชน์ต่อผู้สนใจที่จะศึกษามองอนาคตของการเมืองไทยต่อไปดังนี้หนึ่งมีเหตุการณ์ที่รุนแรงเกี่ยวกับสาบันกษารสัตย์ก็คือในปี2489พักประชาธิปัตย์โจมตีใส่ร้ายนายตีดิพนมยง์ว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการวางแผนรอบรงพรชนราชกาลที่8จนเป็นเหตุให้เกิดการโค่นล้มรัฐบาลในเถลิง ทำลงนาวาสวัสด์ุ่มอำนาจของฝ่ายนายปรีดีคนมยงและนายปรีดีคนิมยง์ต้องลี้ภัยไปอยู่ต่างประเทศจนจบชีวิตลงในต่างประเทศส่วนในเหตุการณ์ปัจจุบันกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยก็รวมกับพรรคประชาธิ ป, ปัตย์จัดการชุมนุมเคลื่อนไหวจงตีว่าพันตํารวจโททักษิณชินวัตรวางแผนโค้นล้มสถาบันการในภาวะที่สถาบันเกิดวิกฤตค่อนข้างนุนแรง อันเป็นผลจากอายุและสุขภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันที่ทรงเจริญพระชนมายุมากแล้วและสุขภาพไม่ดีซึ่งเป็นภาวะของการใกล้ที่จะผัดเปลี่ยนแผ่นดินจนในที่สุดก็เกิดการยึดอํนานาจรัฐบาลคนพันตำรวจโททัศ์ษิณชินวัตรเมื่อสิบเก้าตันยายน2อ2สี่สองห้สาโดยใส่รายพันตํารวจโททั์ษิณชินวัตรต่างๆน า, นานาและสุดท้ายพันตํารวจโททั์ษิณชินวัตรต้องหลีภัยอยู่ในต่างประเทศ เพียงแต่ปัจจุบันละครการเมืองยังไม่จบบทสุดท้ายของเหตุการณ์จึงยากที่จะทำนายสองทหารจับมือกับพรรคประชาธิปัตย์เหตุการณ์รัฐประหาร8พฤศจิกายน2 4 9 0. มีกลุ่มทหารร่วมมือกับพรรคประชาธิปัตย์ทาการยึดอานาจและหนุในให้ในายพวงอภัยวงศ์ทําหัวหน้าพักขึ้นเป็นนายกมนตรีและอยู่ได้ไม่พอ6เดือนในายพวงก็ถูกทหารใช้ปืนจี้ให้ออกจากนายกแล้วเชิญจอมพลปกลับมาเป็นนายกแทน เหตุการณ์การเมืองปัจจุบันตัวละครที่นังเป็นกลุ่มทหารโดยใช้ชื่อว่าคมาชร่วมกันกับอภิชาติปัตต์และหนุนให้นายพิสิทธิ์เวชาชีวะหัวหน้าพรรคชาติปัตต์ซึ่งเป็นนายกงบัญชีเหมือนกันแต่จะจบลงเหมือนกับนายพวงอดีตหัวหน้าพรรคหรือไม่ยังไม่อาจจะทราบได้สาทำลายรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งรัฐบาลของกลุ่มอำ น, นาจนายปีดีคณรงค์ ในปี2490เป็นรัฐบาลประชาธิปไ ต, ต, ตยของฝ่ายพลเรือนที่ได้อำนาจมาโดยชอบและเป็นที่ชื่นชมของประชาชนเนื่องจากเป็นรัฐบาลของกลุ่มขบวนการเสรีไทยภายในประเทศที่ต่อต้านการยึดครองของญี่ปุ่นที่ร่วมมือกับกลุ่มทหารจอมพลฟรองซ์กุลสงครามและได้รับความเชื่อมัน่นจากต่างประเทศซึ่งขณะ น, นั้นประเทศมหาอำนาจเป็นรัฐบาลของฝ่ายสพันธมิตรที่เป็นฝ่ายชนะสงครามโลกครั้งที่สองจึงให้การสนับสนุนรัฐบาลที่มาจากขบวนการเสรีไทย ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลของพันตํารวจโททักษินชินวัตรก็เป็นรัฐบาลประชาธิปไตยของฝ่ายพลเรือนที่ได้มาตามรัฐธรรมนูญของประชาชนปี2540โดยสมบูรณ์แบบที่ได้รับการยอมรับจากต่างประเทศโดยอยู่ในยุคโลกาภิวัตน์แต่เป็นที่นิยมของประชาชนดังนั้นการยึดอํานาจของเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ทั้งสองครั้งนี้จึงเป็นที่จับตามองของประเทศมหาอำนาจมากผู้ยึดอํานาจจําเป็นต้องเล่นละครหลอกลวงชาวโลกและประชาชนไทยให้เป็นไปอย่างแนบเนียน โดยเหตุ น, นี้ในเหตุการณ์ยึดอนานาจเมื่อ8พฤศจิกายน2490ฝ่ายทหารจึงต้องอัมพาตภาพลักษณ์ของเผด็จการเพื่อมิให้เกิดการบาดหูบาดตาประเทศมหาอำนาจเพราะจอมพลปพิบูลสงครามก็เพิ่งหลุดจากคดีอาชญากรสงครามมาไม่นานด้วยเหตุ น, นี้คณะรัฐประหารจึงได้เชิญนายควงอภัยวงหัวหน้ า, าพรรคประชาธิปัตย์ขึ้นเป็นนายกองดนตรีเพื่อสร้างภาพภาพลักษณ์ที่ดีในขณะในลักษณะที่ว่าคณะรัฐประหารนั้นไม่ต้องการอํานาจทากงการเมือง แต่ก่อการยืดอํานาจเพื่อแก้ไขปัญหาของประเทศโดยแท้จริงปรากฏหลักฐานตามที่จอมพลผินชุนทวันได้เล่าไว้ในหนังสืออนุสรณ์งานศพหน้า88ว่าวันที่9พฤศจิกายน2490ได้ประชุมคณะรัฐประหารชั้นผู้ใหญ่ที่จอมพลปอพิบูลสงครามเป็นประธานพิจารณาจัดตั้งรัฐบาลใหม่ในที่ประชุมเห็นว่านายพวงภัยวงซึ่งเป็นฝ่ายค้านได้เปิดอภิปรายทั่วไปตรงจีและรัฐบาลปัจจุบันในรัฐสภา โดยใช้เครื่องกระจายเสียงเปิดการอภิปรายของฝ่ายค้านให้รัษฎรได้ฟังทั่วประเทศทําให้รัษฎรได้ทราบความบกพร่องของรัฐบาลอย่างมากมายเพื่อเป็นการสนองพักฝ่ายค้านที่ประชุมลงมติเอกสารให้ตั้งนายพวงภัยวงเป็นนายกบัตรีเหตุการณ์การเมืองในปัจจุบันก็คล้ายคลึงกันผู้ทํารัฐปารก็พยายามผลักดันให้หัวหน้าพรรคชาธิปัตต์คือนายอภิสิทธิ์วชิรชีวะเป็นนายกบัตรี ภายหลังการเลือกตั้งวันที่23ธันวาคม2550โดยผ่านกระบวนการของรัฐบาลโชตทาวตนเอกสุรยุทธ์จุรานนท์นายกรัฐมนตรีที่มาจากองคมนตรีซึ่งเป็นรัฐบาลของฝ่ายเจ้าอย่างชัดเจนมาเป็นผู้สนับสนุนกูทางให้แต่สถานการณ์โลกและความคิดของประชาชนแตกต่างไปจากเหตุการณ์ในอดีตมากจึงทําให้แผนการสร้างภาพฝ่ายตัวละครพรรคประชาธิปัตย์จึงไม่สําเร็จผลพรรคประชาธิปัตย์จึงไม่สามารถเอาชนะพรรคพลังประชาชน ซึ่งเป็นกลุ่มอานาจของพันตนํารวจโททักษิณชินวัตรได้และล่าสุดฝ่ายรัฐประหาร19กันยายน2549ยังใช้ความพยายามโค่นค ล, ลงรัฐบาลของกลุ่มพันตนํารวจโททักษิณชินวัตรอีกด้วยการสมคบกันในกลุ่มพันธมิตรออกบุกกระดมเคลื่อนไหวประชาชนซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนจากภาคใต้ซึ่งเป็นฐานของพรรคประชาธิปัตย์ออกมาก่อการจลาจลเป็นเวลานานกว่า6เดือนโดยยึดถนนราชดำเนินทำเนียบรัฐบาลสนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินดอนเมืองสนามบินภูเก็ตสนามบินหาดใหญ่และสมคบ ก, กับอำนาจสารรัฐมนูญจนรัฐบาลกลุ่มพันตำรวจโททักษิณต้องล้มคว่ำไปถึงสองรัฐบาลหรือรัฐบาลภายใต้การนําของนายสมัครศนทรเวทและนายสมชายวงสวัสด์นายกรัฐมนตรีและสุดท้ายพวกทหารก็แสดงบทบาทอย่างออกหน้าออกตาเป็นนายเป็นนายหน้าของฝ่ายวังหนุนให้หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีจนได้ ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อ15ธันวาคม2551สี่คนใกล้ชิดฟรีดีพนมยงค์หลวงกาศสงครามพันเอกัาทพันเอกกาศการสงครามคนใกล้ชิดฟรีดีพนมยงค์ทรยศโดยย้ายฟาดอำนาจไปอยู่กับฝ่ายเจ้าและกล่าวโจมตีว่าฟรีดีชิตการใหญ่ แตจัดตั้งระบอบสาธารณรัฐและตั้งตัวเองขึ้นเป็นประธานาธิบดีเป็นกรณีคล้ายกับกรณีในายเนวินชิดชอบผลการชิดพลตำรวจโททักษิณชินวัตรที่ทอยศย้ายข้างไปอยู่ฝ่ายทหารและพรรคประชาธิปัตย์ฝ่ายเจ้าโดยร่วมสนับสนุนการจัดตั้งรัฐบาลเพื่อคนล้มฝ่ายพันตำรวจ โ, โททักษิณชินวัตรและที่ขาดไม่ได้ก็โจมตีพันตำรวจ โ, โททักษิณว่าคิดการใหญ่คล้ายกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้ น, นกับนายปีดีพนมยง เหตุการณ์ในครั้งนั้นหลวงกาศสงครามเป็นคนหนึ่งในคณะเสรีไทยโดยโร่วมมือกับฟรีดีพนมยง์ในการตั้งกระบวนการต่อต้านญี่ปุ่นโดยยอมลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีเมื่อตุลาคม2486เป็นตัวแทนเสรีไทยเดินทางไปประเทศจีนและเมื่อสงครามยุติแล้วหลวงกาศสงครามก็ร่วมกับปรีดีพนมยง์ก่อตั้งพรรคสหชีพซึ่งเป็นพรรคที่ก้าวหน้าที่มีนโยบายเป็นประชาธิปไตยของฝ่ายพ ล, ลเรือนในขณะนั้น แต่ภายหลังจากเกิดกรณีวิกฤตกรณีสิ้นพระชนของรัชกาลที่8โดยมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่าหลวงกาศสงครามได้แกล้งให้ร้ายปีดีพรโยงว่า ม, มีการวางแผนจัดตั้งมหาชนรัฐมีแผนการจัดตั้งมหาชนรัฐในความหมายปัจจุบันก็คือการโจมตีว่าจะล้มสถาบันกษัตริย์จัดตั้งสาธารณรัฐนั่นเองโดยจงยึดอำนาจทั่วประเทศไปสู่มหาชนรัฐเมื่อคณะทหารทราบเท่าจึงปฏวิวัติจัดหน้า สือพิมเสรีภาพ18พฤศจิกายน2490อ้างในสุธาชัยยิ้มเจริญหน้า114หน้า114แผนชิงชาติไทยทำลายระบอบและธรรมนูญฟื้นระบอบกระสัิย์รัฐประหาร2490เป็นจุดเริ่มต้นของการทำลายระบอบและธรรมนูญและฟื้นระบอบกระสัิย์ ความมุ่งมั่นของคณะรัฐที่ทําการเปลี่ยนแปลงการปกครองต้องการจะพลิกจากระบอบสมมูลนายาสิทธิราชเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนั้นก็จําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงวัฒนธรร ม, มโดยให้ความสําคัญกับระบอบรัฐธรรมนูญที่เป็นกฎหมายสูงสุดการสถาปนารัฐิรัฐธรรมนูญขึ้นโดยยกรัฐธรรมนูญให้มีฐานะสูงเด่นเป็นสัญลักษณ์แห่งชาติมาแทนที่สถาบันกษัตริย์ที่เป็นสัญลักษณ์แห่งชาติอยู่เดิม โดยคณะราษได้ให้การศึกษาประชาชนโดยส่งกลุ่มปาทกถาเดินทางไปยังจังหวัดต่างๆจังหวัดต่างๆทั่วประเทศเพื่อเผยแพร่ระบอบรัฐธรรมนูนนำรูปภาพรัฐธรรมนูญไปแจกตามหมู่บ้านห่างไกลและเอาตัวบทรัฐธรรมนูญไปแจกข้าราชการอำเภอครูกำนันผู้ใหญ่บ้านจากนั้นก็จัดให้มีการแจกงานฉลองรัฐธรรมนูญเป็นประจำทุกปีและพยายามสร้างสัญลักษณ์รัฐธรรมนูญขึ้นเพื่อให้อยู่ในใจของประชาชน เช่นการสร้างอนุสาวรีย์รัฐธรรมนูญที่พระถนนราชดำเนินที่เรียกว่าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยในปัจจุบันและได้สร้างอนุสาวรีย์ปราศรบยโดยมีรูปผ่านรัฐธรรมนูญเป็นสัญลักษณ์หลังจากได้ชัยชนะจากการปราศรบฏประวัเดชซึ่งเป็นการปราบปรามการลุกขึ้นสู้ของฝ่ายเจ้าเมื่อปี2476การรับฐประหารเมื่อ8พฤศจิกายน2490นั้นถือได้ว่าเป็นการสร้างวัฒนธรรมฉีกรัฐธรรมนูญเป็นครั้งแรก ก่อนหน้านั้นแม้จะมีการยึดอำนาจแต่ก็ไม่มีการฉีดรัฐธรรมนูญและรัฐธรรมนูทนที่ถูกฉีกนี้ก็เป็นรัฐธรรมนูญฉบับถาวชวัดแรกของไทยที่ร่างขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองและประกาศใช้เมื่อ10ธันวาคม245ในปีปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองซึ่งใช้มาประมาณ15ปีโดยคณะราชมีความมุ่งหมายที่จะให้ระบอบรัฐธรรมนูนมีความมั่นคงให้ประชาชนยึดถือเป็นระบอบกฎหมายสูงสุดตลอดไป ให้เป็นรากฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเหมือนกับที่เกิดขึ้นในประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกาที่มีการใช้รัฐธรรมนูญฉบับ ด, ดั้งเดิมมาเป็นเวลานา น, านกว่า200ปีโดยกลายเป็นวัฒนธรรมความเชื่อซึมอยู่ในสายเลือดของประชาชนที่ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมนั้นๆจากความเห็นของสุธาชัยยิ้มเจริญอาจารย์คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลายัย บันทึกในหนังสือแผนชิงชาติไทยหน้า102เห็นว่าความจริงแล้วในย่าของรัฐธิรัฐธรรมนูนที่คณะราษฎรพยายามเสนอและผักดันส่วนหนึ่งก็เป็นการลดความสําคัญของพระมหากษัตริย์ในฐานะที่เป็นสัญลักษณ์แห่งชาติที่ตกค้างมาจากยุคสมบาาูรณาญาสิทธิราชโดยเหตุ น, นี้การพันธคลายของรัฐธรรมนูนในฐานะที่เป็นสัญลักษณ์แห่งชาติพอเท่ากับเป็นการรื้อฟื้นความสําคัญของพระมหากษัตริย์ให้สูงเด่นขึ้นดังนั้น การรัฐประหารเมื่อ8พฤศจิกา ย, ยน2490จึงไม่ใช่เป็นเพียงการช่วงชิงอำนาจทางการเมืองโดยความร่วมมือกันของฝ่ายทหารกับพรรคประชาธิปัตย์เท่านั้นแต่เนื้อแท้คือการทำลายแนวคิดประชาธิปไตยของคณะราษฎรโดยการทำลายระบอบรัฐธรรมนูญเพื่อเพิ่อำนาจ ข, ของฝ่ายเจ้าให้กลับคืนมาทั้งหมดและเป็นจุดเริ่มต้นของระบอบสมุูรนายาสิทธิราชใหม่ที่ทรงอำ น, นาจและบททำลายระบอบประชาธิปไตยอยู่ในขณะนี้ จากความเห็นของสุธาชัยยิ้มเจริญในแผนชิงชาติไทยหน้า103อ้างถึงหนันงสือพิมพ์การเมืองรายสัปดาห์29พฤศจิกายน2490ว่าคณะรัฐประหารจึงได้นำความสำลึกผลมาสู่กลุ่มเจ้าผุนนางบางประการนั่นคือการถวายอำ น, นาจคืนโดยคณะรัฐประหารเป็นผู้มอบให้ผ่านรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวที่ประกาศใช้สำหรับจอมพลฟอพิบูลสงครามนั้น แม้ว่าจะเคยเป็นคู่ปฏิปักิกับฝ่ายเจ้าขุนนางมาก่อนแต่ก็ได้ช่วยสาการณการเป็นประโยชน์ต่อตนเองดังทำให้สัมภาษณ์เทื่อวันที่9พฤศิกายน2490ในนามของหัวหน้าคณะรัฐประหารว่ารัฐประหารครั้งนี้คณะทหารอยากเปลี่ยนรัฐบาลจะเพิ่มอานาจของพระมหากษัตริย์ให้มากขึ้นท่านจะได้โอกาสช่วยดูแลบ้านเมืองการเมืองรายสัตรียี่4พฤศจิกายน2490และในที่สุด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงพระลาชหัดพเลขาในวันที่25พฤศจิกายนแสดงความปิีติยินดีด้วยกับการรัฐประหารครั้งนี้บชประสังสิทิ2492หน้า2 4 5ถึงหน้า2 4 8รัฐธรรมนูญ2490วางระบบอำนาจสายเจ้าให้เข้มแข็ง รัฐธรรมนูนแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพศ2490หรือที่รู้จักกันในนามรัฐธรรมนูญใต้ตุ่มเนื่องจากคณะรัฐบาลและคณะรัฐประหารได้เตรียมการร่างรัฐธรรมนูญไว้ล่วงหน้าแต่ด้วยเสรงว่าจะมีคนรู้เห็นจึงซ่อนไว้ใต้ตุ่มจะทำให้สัมภาษณ์ของนาวอากาศนาวะเอกาศเก่งระดมยิ่งชื่อเดิมกาดกาสงขามผูรางได้กล่าวว่า เตรียมรัฐธรรมนูญไว้วันละเล็กละน ой, ้อยโดยไม่ได้มีผู้ใดพึงรู้เห็นแล้วจะซ่อนไว้ใต้สุ่มสามโคกขั้นเมื่อทําการรัฐประหารสาเร็จสําเร็จลงจึงได้นำรัฐธรรมนูญที่ซ่อนไว้ใต้สุ่มใต้ตุ่มแดงออกประกาศใช้ทันทีรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะมีฉายาว่ารัฐธรรมนูญใต้สุ่มรัฐธรรมนูนฉบับนี้ได้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชัดเจนว่า เป็นรัฐธรรมนูญที่พลิกฟื้นอำนาจของกษัตริย์ขึ้นอย่างค่อนข้างสมบูรณ์ัตั้งแต่การเปลี่ยนการปกครองเมื่อสอบ .2475 กล่าวคือได้กำหนดให้มีสองสภาคือสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาโดยมีจำนวนเท่ากันและเฉพาะวุฒิสภาทั้งหมดนั้นให้เป็นอำนาจของพระมหากษัตริย์ที่จะทรงคัดเลือกเองมาตรา313และกำหนดให้มีการรื้อฟื้นอภิรัฐมนตรีสภาซึ่งเป็นองค์กรบริหารของเจ้านายสมัยรัชกาลที <med> ่เจ็ และถูกรัฐบาลคณะราษฎรยกเลิกไปแล้วโดยรัฐธรรมนูญฉบับปี2590มาตรา2กำหนดให้มีขึ้นมาใหม่อภิปรัชชมันตรีสภาก็มีอานาคล้ายคณะองคมนตรีในปัจจุบันนี้การมีวุฒิสภาที่มาจากการแต่งตั้งของรัฐรรมสภาและให้มีอำ น, นาจเสมอเช่นสมาชิสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนจึงเป็นการบง่งชี้ให้เห็นว่า มีอำนาจของประสัตภูมอำนาจทางการเมืองของประชาชนอย่างชัดเจนแต่นั้นหลักการของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมีฝ่าหมากษัตเป็นประมุขโดยทรงอยู่เหนือการเมืองตามแนวคิดของคณะราษฎรจึงไม่เป็นจริงแต่ตั้งรัฐธรรมนูญฉบับ2490เป็นต้นมาและตั้งแต่รัฐธรรมนูญท .490 เป็นต้นมาเมื่อมีการฉีกรัฐธรรมนูญและร่างรัฐธรรมนูญใหม่อำนาจของประสัตในวุฒิสภาก็ยังคงสุดเรื่องต่อไปและมาที่สุดเมื่อเกิดการร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี24 2540ที่ยกเลิกการแต่งตั้งวุฒิสภาจากกษัตริย์โดยให้วุฒธธิสภามาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนทั้งหมดซึ่งถือเป็นปรัฐธรรมนูนที่ให้อำนาจเต็มแก่ประชาชนเมื่อนำเหตุการณ์การยึดอำนาจเมื่อปี2เมื่อวันที่19กันยายน2549มาศึกษาเปรียบเทียบเราจะพบประเด็นที่ที่มาแห่งวุฒิสภาเป็นชนวนระเบิดที่ฝ่ายเจ้าไม่พอใจและคำนุนปี2540และเก็บความไม่พอใจ น, นี้ซ่อนไว้อย่า ง, ยงเงียบ โดยปล่อยให้รัฐธรรมนูนปี2540ประกาศใช้ไปสักระยะหนึ่งก่อนแล้วนักวิชาการและนักเคลื่อนไหวในเครือข่ายราชัดชน Royal Network ักปล่อยเย้าเน็เช่นอธิบดีมหาวิทยาลายัยคณบดีหรือพวกที่ตั้งชื่อตัวเองปแปลกๆว่าราศฎรน ว, วุโสก็ออกมาโจมตีเพื่อทำลายกระบวนการการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสธธภาว่าเป็นสภาขัวเมียเพื่อให้เกิดการเสริมความนิยมในหมู่ประชาชนเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกวุฒิสภาโดยตรงจากประชาชน และให้หันหลังกับระสุการแต่งตั้งโดยสถ า, าบันพระมหากษัตริย์อีกในที่สุดเมื่อเกิดการรัฐประหาร19กันยายน2549โดยนําระบบการแต่งตั้งวุฒิสมาชิกกลับมาใหม่แต่ยังเหนียมอายถึงการกระทําที่ไม่เป็นประชาธิปไตยจึงใช้คําว่าสันหหาในรัฐธรรมนูญฉบับปี2550โดยฝ่ายเจ้าใช้อํนนานาจผ่านกลไกของรัฐของประธานศาลฎีกาประธานศาลปกครองและประธานศาล ร, รัฐธรรมนูญ และกลไกของระบบพระราชการที่มาในรูปขององค์กรอิสระและในเบื้องต้นของรัฐธรรมนูญปี2550ก็อลองเชิงแต่งตั้งวุฒิสภาเพาียงึ้นสภ า, ากรดแต่ที่สะท้อนความต้องการของฝ่ายเจ้าที่อยากจะเห็นระบบการเมืองโดยตัดมือตัดเท้าของฝ่ายประชาชนอย่างชัดแจ้งก็คือการนําเสนอการเมืองใหม่ของฝ่ายพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยซึ่งเป็น ท, ที่รู้กันทั่วไปว่าเป็นม็อบของฝ่ายเจ้าโดยเรียกฐานกันเป็นสัญลักษณ์ตามท้องตลาดว่าม็อบเส้นใหญ่ เสนอให้การเลิกตั้งในสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นฐานอำนาจที่สทคันของระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภาให้เป็นแบบ 30-70 คือเลิกตั้ง 30% แต่งตั้ง 70% แต่ได้กลายเป็นชนวนระเบิดในสังคมไทยในขณะนี้แม้พื้นอำนาจแล้วแต่เจ้ายังคุมฐานไม่ได้ในการรัฐประหารแพฤศจิกายน2 5 9 0, แม้จะเป็นการกำจัดฐานอำนาจของคณะราษฎรด้วยการยึดอำนาจขับไล่ปรีดีพนมยงค์และกานนำออกจากออกนอกประเทศพร้อมกวาดล้างจับกลุ่มพลพรรคของปรีดีพนมยงค์แล้วก็ตายแสนหน้าของฝ่ายเจ้าโดยพรรคประชาธิปัตย์ก็ไม่ยี่งหน้าที่จะควบคุมฝ่ายทหารของจุฬาพิพนธสงครามได้ประกอบกับในขณะนั้นพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ก็ยังทรงขยายาว ต้องมีผู้สําเร็จ ร, ราชการแทนคือกมขุนชัยานาทละเลนทรและเนื่องจากพระองค์ขึ้นขึ้นคลองราดขึ้นคลองราดในตอนเย็ยนวันที่9กันยายน2489ซึ่งเป็นวันเดียวกันกับรัชกาลที่8ขึ้นพระชนมเมื่อตอนเช้าพระบรมเตชะนุภาพยังไม่กกล้าที่จะสยบอํานาจของฝ่ายทหารได้เมื่อฝ่ายเจ้าโยมมือของฝ่ายทหารทําลายประชาชาฝ่ายประชาชนภายใต้การนําของปรีดี เป็นผลสำเร็จแล้วอํานาจการเมืองที่ขับเคลื่อนการจูงเหงือเพียงสองฝา่ายคือฝ่ายเจ้าโดยมีพรรคประชาธิปัตย์เป็นฐานฝ่ายหนึ่งกับฝ่ายทหารโดยมีกองทัพเป็นฐานให้แก่จอมพลปพิบูลสงครามอีกฝ่ายหนึ่งแล้วแต่พรน้ําเน่าที่เคยแสดงความรักอันดูดดื่มละ่านพวงอภัยวงกับจอมลอพลปพิบูลสงครามก็ขาดจบั่นแต่วันที่6เมษาย น, น, น2491โดยการที่จอมลอพลปพิบูลสงคราม ส, งามสงาม่งทหารคนสนิทคือคนตีสวัสด สสวัสดิ์เกียรติพันเอกสินรัตนพิบูลชัยพันโทกา้านจำนงภูมิเวชและพันโทลมไมอุทยานานนท์มขอเข้าพบและที่ตัวนายพงอาภัยวง์ให้ลาออกจากการเป็นนายกมนตรีภายในย4สี่ชั่วโมงนายงอาภัยวง์ก็ยอมลาออกโดยดีโดยถวายบังคมลาในตอนเยน็นวันที่6กเมษายนนั่นเองโดยกรมขุนชัยนาะท นเลนทรนประธานคณะผู้สําเร็จราชการแทนพระ อ, องค์ก็ไม่กล้าที่จะทัดทานตอนมีความร่วมมือระหว่างฝ่ายเจ้ากับฝ่ายทหารที่จับมือกันโค่นล้มฐานการเมืองฝ่ายประชาชนของรีดีพนมยงก็เป็นบทเรียนที่น่าศึกษาเปรียบเทียบกับการเมืองเมืองในปัจจุบันที่มีการจับมือกันระหว่างาพรรคประชาธิปัตย์โดยนายอภิษ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคในนางตัวแทนของฝ่ายเจ้ากับพลเ อ, อกอนุพงศ์เผ่าจินดาในนางตัวแทนของฝ่ายทหาร ที่ต่างก็อยู่ภายใต้พระองค์เดชานุภาพโดยร่วมกันทําการค่นล้มฐานการการเมืองฝ่ายประชาชนของพันตํารวจโทสักสินชินวัฒนซึ่งมีลักษณะคล้ายกันโดยรูปแบบแต่มีเนื้อหาที่แตกต่างกันในเงื่อนไขเวลาของยุคสมัยและปัจจัยใหม่ที่การมีส่วนร่วมของภาาประชาชนแต่แม้การนั้นต่างก็อยู่ในบทประดิษฐเดียวกันไม่เปลียนแปลงคืออํานาจเป็นสิ่งที่หอมหวนดังนั้นการเห็นบทหวานชื่นระหว่างพิเศษกับอนุภงเขาจินดาวันนี้ ก็ใช่ว่าจะลาบลื่นตลอดไปไม่ลองมาดูบทละครการเมืองอันหวานชื่นในระยะเริ่มแรกของควงกับจอมพลปอก็อยู่กินกันเมื่อข้าไม่ทันดําก็เลิกร้างกันใจลองดูบทเกี่ยวลาภาษีกันระหว่างในควงไทยวงหม่อมราชวงศ์เผนีปลาโมดกับจอมพลปอที่พูนสงครามแล้วก็จะรู้เองว่าพรรคประชาธิปัตย์มีประวัติการแสดงละครทางการเมืองชนิดที่เรียกว่าตลกกะแลงถึงบทจริงๆ แต่สุดท้ายก็แตกต่างกันแ ต, แต่สุดท้ายก็แตกกันเพราะต่างฝ่ายต่างก็อยากได้อำนาจสูงสุดด้วยกันนายพวพูดว่านีไงกับจันผมเอารายชื่อรัฐมนตรีมาให้ดูรำพนปอเอาไหมาให้ผมดูทําไมผมบอกแล้วว่าไม่ต้องการอำนาจทางการเมืองคุณเห็นดีอย่างไรก็เอาอย่างนั้นแหละนายพวง ก, ก็บอกว่าแต่มีรัฐมนตรีหลายคนที่กับจันคงไม่ชอบ จำผลฟอสินตอบว่าอย่าได้ถือความเห็นสมเป็นสาคัญส่วนหม่อมราชวงศ์เสรีจาโมโงด์ก็ออกมาปกป้องจำผลฟอพิมุลสงคราม ท, ทั้งที่ประชาธิปัตย์เคยโจมตีว่าเป็นจอมเผด็จ ก, การมาก่อนแต่วันนี้จํำจะต้องกลับหันหลงังระจูบปากกันบรรพบุรุษ ข, ของพรรคประชาธิปัตย์มีความสามารถพิเศษในเรื่องเหล่านี้โดยกล่าวชื่นชมเพื่อให้สังคมวางใจในตัวจำผลฟอโดยเืรียบไว่าคนที่กลัวความเป็นเผด็จ ก, การมากที่สุดในเมืองไทยวันนี้ ก็คือตัวของท่านจอมพลปอเองโดยกล่าวว่าหมอ่อมครื่อลิศเป็นเจ้าขอ ง, งคำคมอีกคนหนึ่งโดยได้กล่าวว่าเวลานี้คนในเมืองไทยที่กลัวเผด็จการมากที่สุดได้แก่จอมพลปข้อ น, นี้เป็นคำกล่าวที่มีเหตุผลส่วนความรักอันหวานชื่นระหว่างอภิสิทธิ์กับผลเอกอนุคงในปัจจุบันนี้จะจบลงอย่างไรเป็นเรื่องที่ผู้อ่านจะต้องติดตามกันต่อไป รัฐประหาร 2,500 ระบอบกษัตระชดเริ่มตั้งมั่นอย่างเข้มแข็งการเฝ้ารอคอยโอกาสเพื่อพดัด็จอำนาจทางการเมืองเป็นคุณสมบัติและประสบการณ์ที่สำคัญของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันที่ใช้เป็นกลยุทธ์ในการสร้างสมบารมีจนกลายเป็นพระบรมเดชานุภาพทีพ่พลิกฟื้นอำนาจของกษประชดกลับขึ้นมาใหม่จนเข้มแข็งและพัฒนาอำนาจทําให้ระบอบ ก, การปกครองของไทยกลายเป็นระบอบสมบูรณัยาสิทธิราชใหม่ในทุกวันนี้ เมื่อจอมผลต่อพิบูลสงครามกับส่วนหน้าการเมืองใหม่ครั้งด้วยการที้ให้ในายควงไพยวงลาออกในเส้นทางการเมืองยุคสุดท้ายของจงอมพลปพิบุลสงครามก็ต้องประสบปัญหามากมายและการดิ้นรนเพื่อรักษาหน้าอยู่ต่อไปนั้นในแต่ละวันก็ยากเย็นแสนเข็ญและโดยธรรมชาติการเมืองก็เกิดความขัดแย้งระหว่างลูกน้องของจมพลปด้วยกันเขาํา น, นองว่าเสือสองตัวยอยู่ในถ้ำเดียวกันไม่ได้ นั่นคือความขัดแย้งระหว่างคนตำรวจเอกเผ่าสิยานนท์กับคนเอกผ ล, กลิตธนรัตน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงขาลงของจอมพลฟอนั้นกระแสตื่นตัวของประชาชนต่อสิทธิสริภาพในระบอบประชาธิปไตยเป็นกระแสการเมืองใหม่ที่เริ่มมีพลังขึ้นอันเป็นผลสะเทือนจากการเปลี่ยนการปกครองเมื่อ24มิถุนายน2475และการต่อต้านมหายาลัยธรรมศาสตร์และการเมืองอีกทั้งจอมพลฟอต้องการจะลบภาพจอมเผด็จการ ที่เคยแสดงออกในอดีตเมื่อครั้งรับที่ทหารเป็นกระแสหลักของโลกโดยมีผู้นำสหารที่มีชื่อเสียงเช่นฮิตเลอร์ผู้นำเยอรมันอุโสลินีผู้นำเ อ, เตอิตาลีและโตโจโผู้นำญี่ปุ่นจอมพลปอจิหนุนระบอบประชาธิปไตยให้มีการเลือกตั้งเปิดสนามหลวงให้เป็นเวทีประชาธิปไตยที่ประชาชนจะปแสดงความคิดเห็นใดๆก็ได้ขายจากสวนสาธารณะไฮฟ้าในอังกฤษ จนคำว่าไหซักกลายเป็นคำแสดงหมายถึงลักษณะการเปิดปราศายแบบดาแหลกและตัวท่านเองก็ตั้งพรรคการเมืองเข้าแข่งขันในานามพรรคสายลีนนันพระศิลาโดยธรรมชาติแห่งระบอบประชาธิปไตยนั้นมีพลังอํานาจที่สําคัญคืออํานาจต้องมาจากประชาชนดังนั้นระบอบเผด็จการใดๆที่พยายามจะฉาดสีสันของประชาธิปไตยเพียงรูปแบบนั้นไม่ว่ากรณีใดๆก็ยากที่จะดำรงอยู่ได้และวาระสุดท้ายของจำพลฟ ก็พบกับแผนแผนแผนจะทำนี้เมื่อจอมพลปอไม่ยอมลงจากอํนน า, านาจทั้งๆ้ที่ความนิยมของประชาชนเสริมลงไปมากแล้วอีกทั้งฐานอํานาจทางทหารก็แตกต่างดังนั้นจึงจะเห็นได้ว่าในขณะนั้นจอมพลสมษดจ์ชนรัตก็ตีตัวออกห่างจากจอมพลปอทั้งๆ ท, ที่เป็นผู้คุมกาําลังทหารสำคัญแต่ก็ไม่ยอมออกคําสั่งให้ทหารในในกองทัพบัญชาไปลงคะแนนเลือกสสของพรรคเสรีมัมานาันังคัศิลาโดยแสดงตัวเป็นนักประชาธิปไตยเต็มใบ โดยกล่าวว่าเพื่อจะเป็นประชาธิปไตยกันจริงๆแล้วขออย่าได้บงังคับกัดเย็นให้ไปลงคะแนนให้พรรครัฐบาลเลยบุคคลอื่นๆที่อยู่พรรคการเมืองฝ่ายค้านก็อาจจะเป็นคนดีได้โดยภาวะขาลงเช่นนี้จอมพลปไม่มีทางเลือกที่จะสื่อต่ออำนาจประชาธิปไตยจึงเกิดกรมีการโกงเลือกตั้งอย่างพึกโคมในการประกาศผลการเลือกตั้งเมื่อนหนุมยมีนาคม2500 จึงเกิดกระแสะการต่อต้านโอกาสทองทางการเมืองของจอมคนสฤษดิ์จึงเกิดขึ้นซึ่งในขณะนั้นความคิดการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนเริ่มถ่ายเทลงไปสู่กบวนการนักศึกษาอย่างมีงผลแล้วและจะเป็นยุคต้นๆจะทําให้เกิดเื่อนถ่ายความชอบธรรมของผู้มีอำนาจ ท, ทั้งของทหารและฝ่ายเจ้าที่จะใช้พลังนักศึกษาประชาชนกล่าวอ้างเพื่อทําลายปฏิบัติทางการเมืองและการช่วงชิงอำนาจทางการเมืองในเหตุการณ์เวลานั้น พลันักศึกษาจากจุราและธรรมศา ส, าสตร์ก็รวมตัวประทร้วงการโกงการเลือกตั้งโดยยกบวนไปทำเนียบรัฐบาลเพื่อจะซักฟอกจอมพลปองพิบูลสงครามซึ่งขณะนั้นจอมพลสลิดเป็นผู้บัญชาการทหารบกและเป็นผู้รักษาพระนครแทนที่จะขัดขวางเพื่อปกป้องรัฐบาลก็ทำการลอยตัวคล้ายๆกับคนเอกอนุพงศ์ผู้บรรทัดบรรชาการทหารบกในปัจจุบันตอนมีพันธมิตรบุกยึดทำเนียบรัฐบาลในปี2551 การแสดงตัวเป็นนักาาประชาธิปไตยเต็มที่แท้จริงเตรียมช่วงจริงยึดอำนาจโดยจอมพลสฤษดิ์ปล่อยให้ขุนชนเดินทางผ่านไปเผชิญหน้ากับจอมพลปนายรัฐมนตรีเพื่อซักข้อแล้วจอมพลสฤษดิ์ก็แสดงตัวเป็นพระเอกสหลายขุนชนโดยกล่าวปาใสายบอกบอกในยะสําคัญทางการเมืองว่าการเกิดการเปลี่ยนแปลงตามที่ขุนชนต้องการโดยกล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นทหารของชาติและขอพูดอย่างใจชาติทหารว่าข้าพเจ้ามีความเห็นใจประชาชน สิ่งใดที่มติมหาชนไม่ต้องการข้าพเจ้าจะไม่ร่วมมือด้วยและกล่าวลงท้ายคำปรสาสยอย่างมีความหมายทางการเมืองว่าพบกันใหม่เมื่อชาติต้องการต่อมาไม่นาน16กันยายน2500จอมพลสฤษดิ์ก็ทำการยึดอำนาจขับไล่จอมพลปพิบูลสงคารามและพลเอกเผ่าศรียานนท์ออกนอกประเทศแล้วจอมพลสฤษดิ์ก็ถอดหน้ากากประชาธิปไตยทิ้ง เปิดเคยโฉมหน้าจริงของตนด้วยการใช้อำ น, นาจเผด็จ ก, การโดยปกครองประเทศด้วยรัฐธรรมนูนสวัสชั่วคราวมีเพียง17หมากราโดยมีมากราด11เป็นอำนาจเผด็จการสูงสุดของนายกรัฐมนตรีที่สั่งฆ่าคนได้โดยไม่ต้องตอบส น, นองเป็นเวลา น, นานถึง6ปีก่อนจะสิ้นชีวิ ต, โ ด, ตโดยตั้งสภารั่งและโดยตั้งสภาร่างและธรรมนูนขึ้นจากนักวิชาการที่ถ่ายตัวถึงไม่แตกงการจากนักวิชาการในมหาวิทยาลัยต่างๆในวันนี้โดยรับนโยบายจากจอมพลผลิตว่า ไม่ต้องร่างให้เสร็จบทบาททางการเมืองของพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลที่ทชั้ฉลาดนับตั้งแต่ปลายยุคจอมพลปอถึงยุคจอมพลสฤษดิ์ทั้งที่ยังทรงพระเยาวนั้นไม่อาจจะปฏิเสธบทบาทของเสนาธิการใหญ่ผู้อยู่เบื้องหลังที่เป็นสมัยที่เป็นสามัญชนคือสมเด็จพระรา ช, ชนาิยมที่ช่วยวางแผนประสานแนวร่วมและทําลายศัตรูทีละส่วนจนอำนาจวางก้าแข่งและพัฒนามาเป็นระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ใหม่อยู่ในขณะนี้ ดังจะเห็นความชันฉลาดในการแสวงหาอำนาจของวังกล่าวคือตลอดระยะเวลาการครองอำนาจของจอมพลสลิดจะเกิดเรื่องอื้อฉาวของการกระ ท, ทําทุจร็ตอย่างขนานใหญ่รวมตลอดทั้งการตั้งฮาเลมโดยมีหญิงสาว่าบำรุงบำรเลยจอมพลสนิดและการมีเพศสัมพันธ์กับนางบำรเลนั้นจอมพลสลิดก็ชอบนุง่งผ้าขาวม้าสีแดงแต่ก็ไม่มีข้อวิจารณ์ใดๆจากวัง ทำไมพคำหากระสับผู้ทรงคุณธรรมไม่เคยตำหนิหรือว่ากล่าววัทถ ก, กเทินถึงจอมพลสฤษดิ์เลยจนถึงทุกวันนี้เป็นเพราะอะไรคำตอบทางประวัติศาสตร์ที่เด่นชัดก็คือจอมพลสฤษดิ์ได้เปิดสักการ ย, ยุคใหม่ของการเมืองไทยที่ผ่านที่ฝ่ายเจ้าต้องการและรอคอยม า, มานานจอมพลสฤษดิ์ได้เปลี่ยนจัตยาของกองทัพจากกองทัพของชาติและประชาชนภายใต้การนําของคณะราษฎรเป็นกองทัพของพระราชาโดยสมบูรณ์แบบ จอมพลสฤษดิ์ได้ทำลายกฎยาล่าฐานความคิดของสังคมที่จะมุ่งไปสู่ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหาตริย์ทรงเป็นประมุขกลายเป็นระบอบสมมูรณัยาสิทธิราชใหม่โดยทำลายความศักดิ์สิทธิ์ของสถาบันรัฐธรรมนูญที่คณะราษฎรสร้างขึ้นเพื่อมาทดแทนความศักดิ์สิทธิ์ของสถาบันกษัตริย์และทำลายวันชาติจากยุคศรีนุนายนคือวันเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นวันพ่อ5ธันวาคมคือวันพระราชนภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและถือเป็นวันชาติของประเทศไทยโดยปริยายต er ั hmm. ้งแต่นั้น นับตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงปการปกครองยี่ิบสิคุนายนสองสี่เจ็ดห้าฝ่ายกษัตริย์ได้เริ่มตั้งมั่นอย่างเข้มแข็งเมื่อเกิดการรัฐประหารของจอมพลชลิดธนาลัตเมื่อปีสองพันห้าร้อยจากสองสี่เจ็ดห้าถึงปีสองพันห้าร้อยจึงเป็นยี่สิบปีของการรอคอยเพื่อการฟื้นอํานาจใหม่ดังนั้นฐานะของวางภายใต้อํานาจของคณะรัฐจึงเป็นสันนิษายที่หลอกหลอนรชาชสำนักเป็นอย่างมากจนส่งผลต่อการเมืองปัจจุบันนี้ที่รชาชสำนักจะเกิดความระแวง โดยเกรงว่าฝ่ายการเมืองภาคพเลเรือนหรือภาคทหารจะก่อตั้งสถาบันทางอำนาจขึ้นมาเข้มแข็งแข่งกับอำนาจของฝ่ายตนดังนั้นการควบคุมและแทรกแซงอำนาจทางการเมืองของฝ่ายเจ้าในช่วงเวลาที่ผ่านมานัะตั้งแต่สมพลสลิดซึ่งชีวิตลงจนถึงปัจจุบันนี้จึงเกิดขึ้นเป็นประจำอย่างใกล้ชิดและก่อติดจนกนระทั่งเกิดเป็นโครงสร้างอำนาจนอกระบบขึ้นและมีอำนาจเข้มแข็งกว่าอำนาจในระบบรัฐตั้งที่มาจากประชาชน เข้าสู่สมบูรณาญาสิทธิราชย์ใหม่โดยกฎหมายรัฐประหาร16กันยายนป2500เป็นเส้นเป็นเส้นแบ่งทางประวัติศาสตร์ชัดเจนว่าประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ใหม่แล้วจากฐานทางประวัติศาสตร์ที่จะยืนยันให้เห็นถึงพระราชอำนาจของกษัตริย์ไทยว่ามีอยู่จริงโดยวัฒนธรรมและโดยกฎหมายอย่างสมบูรณ์นับตั้งแต่ถูกยึดอำนาจไปเมื่อ24มิถุนายน2475ก็คือการยึดอำนาจทางการเมืองที่ถูกช่วงชินไป กลับขึ้นมาสู่รัชสมนนัตะิโดยปรากฏหลักฐานจากเหตุการณ์การโค่นล้มรัฐบาลจอมพลปพิบูลสงครามซึ่งเป็นการสิ้นเชื้อสายสึ้นเชื้อสายพันธุ์ชนะราชเมื่อ16 ก, กันยายน2500โดยพรามหากษัตริย์ได้แสดงพระองค์อย่างเปิดเผยในประกาศพระบรมราชองค์การตั้งจอมพลสฤษดิ์ธนรัตนเป็นผู้รักษาพระนครสายทหารโดยไม่มีผู้ใดลงนามรับสมอรพระบรมราชองค์การ จึงถือเป็นครั้งแรกที่แสดงออกทางนาจการเมืองด้วยพระองค์เองโดยไม่มีผู้ใดมารับผิดชอบแทนซึ่งผิดจากแนวทางของระบอบประชาธิปไตยอันุีาวริกากษัตริย์สรงเป็นประมุกและโดยกฎหมายถือว่าระบอบการปกครองของไทยได้กลับมาสู่ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์นับแต่นั้นแล้วรายละเอียดของพระบรมราชองค์การที่แสดงถึงพระราชประสงค์ที่มีต่อการเรียกนาจว่าประชาชนทั้งหลายจงอยู่ในความสงบและให้ข้าราชการทุกฝ่าย ฟังคำสั่งจอมพลโเษดธนรัต์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเมื่อพิจารณาจากตัวนายกรัณมนตรีคือ น, นายโคศสารสินก็เห็นชัดเจนว่าพระองค์เป็นผู้ทรงอำนาจทางการเมืองอย่างแท้จริงนัแบแต่นั้นเพนา้นายโคที่ขึ้นเป็นนายกคนที่านี้เป็นผู้รับใช้ใกล้ชิดราชสำนัก ยังจะเห็นได้ว่าปัจจุบันน้ำสกุลนี้ยังรับใช้ใกล้ชิดราชสำนักต่อเนื่องกันมาจนถึงปัจจุบันคือนายอาสาสารสิงในฐานะราชเลขานอกจากนี้ยังปรากฏหลักฐานคำสัมภาษณ์ของพลตำรวจเอกเผ่าศรยานน์ยืนยันชัดเจนว่ากษัตริย์เป็นผู้หนุนหลังการยึดอำนาจของจำพเศศนเคยเคยนายเผ่าให้สัมภาษณ์ที่กรุงกาลาจีนประเทศปากีสฐาน วันที่17กันยายน2500ขณะนี้ภัยว่ารัฐประหารครั้งนี้เป็นที่คาดและทราบกันอยู่แล้วว่าเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าไม่มีใครคิดจะสู้กับทหารและกษัตริย์การยึดอํนนานาจของวังมีสูตรมาตรฐานจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของไทยในเหตุการณ์การยึดอํนนานาจของฝ่ายทหารตามที่คนไทยเข้าใจมาโดยตลอดนั้นหากจะพิจารณาจากรูปแบบการจัดการแล้ว จะเห็นว่าการยึดอํานาจนับตั้งแต่ปี2500จนถึงปัจจุบันหากครั้งใดที่มีข่าวลือว่าเป็นพระราชประสงค์แล้วรูปแบบการจัดการก่อนและหลังการยึดอํานาจจะมีรูปแบบที่คล้ายกันคล้ายกันหมดเกือจะเรียกว่ามีสูตรสําเร็จเป็นมาตรฐานเดียวเลยมาตรฐานเลยทีเดียวนับตั้งแต่การเคลื่อนไหวกระท้วงของประชาชนเพื่อสร้างความชอบธรรมก่อนการยึดอํานาจการใช้กําลังทหารเข้ายึดอํานาจโดยรวมศูนย์เป็นเอกภาพการจัดตั้งรัฐบาลและ การจัดตั้งรัฐบาลพระราชถานโดยให้คนใกล้ชิดมาเป็นนายกและการดำรงอยู่ของรัฐบาลพระราชทานนั้นจะมีอายุอยู่ประมาณหนึ่งปีโดยจัดร่งางข้อธนูร่างรัฐธรรมนูญที่สร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบราชการและสร้างความอ่อนแอให้แก่ระบบพรกการเมืองโดยนักร่างมืออาชีพแล้วหลังจากนั้นก็จะจัดให้มีการเลือกตั้งเมื่ออยู่ได้สักพักหนึ่งก็จะเกิดการยึดอำนาจในลักษณะ น, นี้อีก กล่าวโดยสรุปแล้วการยีดํานาจของรัฐบาลนั้ตั้งแต่ปี2500เป็นต้นมาจะไม่มีรัฐบาลใดที่เข้มแข็งเลยด้วยสูตรยึดอานาจแบบมาตรฐานสลับกับการเลือกตั้งการยึดอานาจครั้งสําคัญสอง ค, องคที่จะชี้ให้เห็นถึงสูตรมาตรฐานได้แก่หนึ่งเกิดการเดินขบวน ต, ต่อต้านจอมพลปแล้วก็มีการยึดอํานาจเมื่อ16กันยา ย, ยน2500ของจอมพลสุเอชนาลัตโดยให้ในายพศสเสินคนใกล้ชิดมาเป็นนายกรมตรี อยู่ได้ประมาณหนึ่งปีก็เปิดให้มีการเลือกตั้งอยู่ได้ไม่นานก็เกิดการยึดอํานาจใหม่อีกทีเมื่อยี่สิบตุลาคมสองพันห้าร้อยหนึ่งแล้วก็เผด็จการยาวสองเกิดการเดินขบวนของนักศึกษาปัญญาชนต่อต้านจอมคนถนอมแล้วคนเอกฤดศีวราต่อยึดอํานาจในนามมวลชนเป็นผู้ขับไล่ล้มอานาจจอมคนถนอ ม, มเอ ม, นนอมืม่อสิบสี่ตุลาคมสองพห้าร้อยหกก็ได้ในสัญญาธรรมศาสตร์ คนใกล้ชิดวังเป็นนายกผั้มนตรีมูลหนึ่งปีแล้วก็เปิดการเลือกตั้งทั่วไปปี2518พอถึงปลายปี2519ก็เกิดพอถึงปลายปี2519ก็เกิดรัฐประหารอีกสามเกิดการเคลื่อนไหวไม่พอใจคนเอกชาติชายมีนักศึกษาเผาตัวประท้วงแล้วก็เกิดการยึดอนานาจเมื่อ23กุมภาพันธ์2534โดยคณะทหารรสอชอ ผูกจี้ตัวนายกบนเครื่องบินขณะที่พลเอกชาติชายกำลังจะไปเข้าเฝ้าเชียงใหม่แล้วก็ให้ในก็ได้ในอนันต์ปัญญาลชุนคนใกล้ชิดวังเป็นนายกมนตรีหนึ่งปีแล้วก็เปิดเลือกตั้งทั่วไปต้นปีสองห้าสามห้าพลเอกสุจินดาตั้งรัฐบาลได้สี่สิบห้าวันก็ถูกเดินขบวนขับไล่โดยการนําของค น, คนตรีจำลองพลผลิตคนเอกเตนแล้วก็ได้ในอนันต์ปัญญาลชุนมาเป็นนายกมนตรีใหม่อีกครั้งหนึ่งแต่หักมุม แล้วก็มีมีรัฐบาลแบบอ่อนแอแปดปีสี่รัฐบาลคสสองพ้าร้ยสมสิบห้าถึงคสองพันห้าร้อยสี่สิบสามสี่เกิดการเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลผลพันตำรวจโทรทัศษินของกลุ่มพันธมิตรก่อนแล้วเกิดการยึดอำนาจเมื่อสิบเก้ากันยา ย, ยนสองนห้าสิบเ้าโดยคณะทหารที่ใช้ชื่อว่าคปคอแล้วต่อมาเปลี่ยนเป็นคมช โดยมีนายมนกมนตรีมาจากองคมนตรีโดยตรงคือพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์อยู่ได้หนึ่งปีแล้วก็เปิดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปในในวันที่23ธันวาคม2550แล้วก็มีรัฐบาลที่ไม่มีเถลภอพาดทำลายสิ่งตีโลกคือภายในหนึ่งปี2551มีส่รัฐบาลสูส่สำเร็จทางการเมืองที่สรุปได้คือยิดออำนาจโดยกำลังทหาร แล้วตั้งรัฐบาลพระรัชท า, านประมาณหนึ่งปีในระหว่างนี้จะกร่างรัฐธรรมนูนใหม่แล้วเปิดเลือกตั้งแล้วหลังจากนั้นถ้าได้รัฐบาลที่วางพอใจก็อยู่ได้นานแต่ไม่นานมากก็ต้องเปลี่ยนนา ย, ยกมนตรีแต่ถ้าได้รัฐบาลที่วางไม่พอใจรัฐบาลก็จะอายุสั้นการเมืองไทยก็จะมีวังวนเช่นนี้ จากสูตรมาตรฐานทางการเมืองของราชสำนักนี้เป็นผลให้การดำรงอยู่ของราชสำนักมีความเข้มแข็งแผ่วลล า, ารมีไพศาลไม่มีสถาบันอำนาจการเมืองใดเติบโตมาเทียบบารมีได้นับเป็นส่วนสาเร็จทางการเมืองที่บ่งบอกถึงลักษณะดเด่นของระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ที่ชัดเจนอำนาจนอกระบบซึ่งมีงสำคัญ อำนาจนอกระบบที่มีทั้งองค์กรมวลชนทหารข้าราชการเกาะปุกเกิดเกาะกลุ่มกันเป็นเครือข่ายโดยตั้งตัวเป็นปฏิปักษ์ต่อระบบรัฐสภาได้กลายเป็นเครื่องมือสําคัญของราชสำนักในการทําลายรัฐบาลที่ร า, ราชสำนักไม่ฟืงนพอใจนใจนกลายเป็นเส้นทางใหม่นับแต่การทิ่ชีวิตของจอมพลสุริย ธ, ธรัลจอมพลถนอมสิติขจร ก, ก้าวขึ้นสู่อานาจอย่างสมบูรณ์แบบแทนแต่การเมียํานาจของจอมพลถนอมมีลักษณะเป็นเครือข่ายทางการทหาร ทางทหารเข้มแข็งโดยมีจอมพลประภาสจารุเสถียรก้าวเขียงคู่มาด้วยคนสุดทั้งสองมีลักษณะเป็นตัวของตัวเองและผูกเจ็ดเป็นเพือญาติกันโดยถือเป็นคนสุดยุทธสุดท้ายที่ได้คนหนาขึ้นอยากเข้มแข็งในขณะเดียวกันอำนาจของฝ่ายเจ้าก็เริ่มตั้งมั่นเข้มแข็งแล้วเช่นในช่วงระยะเวลาสิบกว่าปีนั้ตั้งแต่สองสี่เ้านฝ่ายเจ้าได้สร้างเพือแข็งอำนาจของตนขึ้นครอบงำสังคมไทย โดยรวบรวมนักวิชา ก, การในมหาวิทยาลัยและต่างประทรวงทบวงกลมรวมตลอดทั้งสหารตำรวจสื่มอมชนสื่อสารมวลชนที่มีแนวคิดจารนิยมกลุ่มหนึ่งเข้ากลุ่มหนึ่งขึ้นแล้วโดยมีองคุ ม, มนตรีเป็ น, นกลไกอํานาจสูงสุดในการเชื่อมโยงคงข่ายและกลายเป็นอำนาจนอกระบบที่เข้มแข็งขึ้นตรงต่อสถาบันพระมหากษัตริย์การล้มรัฐบาลของจงพุลถนอมจึงเป็นเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่มีผลเท่ากับเป็นการทดลองการใช้เครื่องมือใหม่ ที่สายเจ้าได้ประดิษฐ์คิดสร้างขึ้นคืออำนาจนอกระบบโดยใช้ทหารที่เปลี่ยนตัดยามาเป็นทหารของพระราชาแล้วเป็นตัวจับสําคัญในการขับเคลื่อนโดยประสานกับผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญในขณะนั้นคือหม่อมราชวงศ์พฤกฤตราโมดที่เป็นตัวจับสําคัญในการขับเคลื่อนนักศึกษาบัญญาชนและทุกอย่างก็สําเร็จตามประสงค์อำนาจนอกระบบที่ควบคุมโดยราชสำนะักจึงกลายเป็นเครื่องมือสําคัญทางการเมือง ดังนั้นตลอดระยะเวลาห้าทศวรรษที่ผ่านมานับตั้งแต่ปี2500อานาจนอกระบบนี้ก็ได้แสดงบทบาทอย่างเข้มแข็งโดยบทขยี่ทุกอำนาจในระบอบรัฐสภาอานาจเผด็จการทหารแจกกลอมที่ไม่อาจที่ไม่ยอมขึ้นต่ออํานาจฝ่ายเจ้าหรือมีทีท่าว่าจะเข้มแข็งมาตีเสมอและทับเคียมฝ่ายเจ้าอํานาจการเมืองนั้นก็จะถูกบทขยี้อย่างแนกเรียนเสมือนหนึ่งว่า การพังทลายของอำนาจนั้นเกิดขึ้นเพราะความเลวร้ายของผู้ถืออำนาจนั้นเองนับตั้งแต่รัฐบาลของจอมพลถนอมประพาตเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันแต่เยื่อรายล่าสุดคือรัฐบาลพลถถถังตำรวจโททักษิณชินวัตรดูเหมือนว่าเครื่องมือสำคัญคืออำนาจนอกระบบมิจะลักสมยกัยก็เสียแล้วเนื่องจากยุคสมัยของเทคโนโลยีทางข่าวสารได้เปลี่ยนไปใ น, ใ น, ในทางที่ก้าวหน้ามากประกอบกับเป็นรัฐบาลที่มีผลงานและนโยบายที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนระดับล่างได้อย่างเป็นรูปธรรม และที่สําคัญที่สุดก็คือเป็นรัฐบาลที่มาจากระบอบประชาธิปไตยอย่างชัดเจนและสมบูรณ์แบบในยุคโรกาภิวัติประกอบกับเป็นช่วงปลายของรัชกาลปัจจุบันที่ที่วังเองก็เกิดความขัดแย้งกันภายในรุนแรงจึงเกิดสภาวะการเปิดโปงตัวเองทางประวัติศาสตร์กลายเป็นบทศึกษาในการการเมืให้แก่ประชาชนได้เห็นระบอบ ก, การปกครองปัจจุบันที่แท้จริงว่าไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยวังเข้มแข็งเป็นภาวะวิสัยทางประวัติศาสตร์ นักการทหารและปัญญาชนไทยส่วนหนึ่งที่ไม่เห็นโอกาสที่จะพ้นจากระบบะเผด็จการทหารในอดีตได้ส่วนหนึ่งจึงจัดตัดสินใจเข้าป่าไปร่วมมือกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยโดยหวังที่จะสร้างระบอบประชาธิปไตยมวลชนด้วยมือของราษฎรเองแต่อีกส่วนหนึ่งก็โผเข้าสวามิภักด์ต่อวังซึ่งมีสาระในการหนุนหลังเพื่อต่อสู้กับคอมมิวนิสต์อินโดจีนในยุคสงครามเย็นอำ น, นาจเผด็จการทหารได้สร้างความหวาดกลัวโดยก่อตัวมายาวนานตั้งแต่จตอมพลปพิบูลสงคราม ลัมประเทศชาติเข้าร่วมกับกองทัพญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่สองและมือปเผด็จ ก, การทหารจอมพลฟอลม้มลงปเผด็จ ก, การทหารจอมคนสุลิธนาัฐ ก, ก็สืบต่ออีกความโหดร้ายของเผด็จ ก, การทหารได้ปรากฏชัดเจนเช่กนการลอบฆาตกรรมศัตรูทำการเมืองกรมีการฆ่านายเตียงสิรพันธ์รัฐม น, นตรีและคณะที่ทุ่งหลังเสริ้งอ้างข้างๆกับคูว่าเากิดจิจการรมแย่งชิงตัวรัฐมนตรีที่ถูกจับคุมตัวเป็นนักโทษในขณะนั้นโดยกลุ่มโจมจีนเข้าแย่งชิงตัวและถูกลูกหลงเสียชีวิตในที่ในที่เกิดเหตุ แลเหตุการณ์ลอบทร้ายอื่นๆอีกมากจนทำให้กลุ่มปัญญาชนและนักการขานอย่างเช่นพันธุพคโยงจุรานนท์ทิดาคนเอกสุรยุทธจุราน น, นท์อดีตนายกมนตรีปัจจุบันไดร่วมทําการยึดอํานาจจากจอมพลฟอแต่ไม่สําเร็จถึงกลายเป็นกบฏ ท, ที่มีชื่อในประวัติศาสตร์ว่ากบฏเสนาธิการและได้ตัดสินจใจเดินทางออกจากเมืองเข้าสู่เขตป่าเขาชนบทรวมสมทบกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ที่ก่อตั้งเมื่อวันที่1ธันวาคม2485ไว้ก่อนแล้วและจัดตั้งกองกำลังขาในนามกองทัพปลดแอก ป, ประชาชนไทยเข้าต่อสู้กับรัฐบาลโดยใช้นโยบาย ช, ชนบทล้อมเมืองและยึดเมืองในที่สุดและเมื่อวันที่7สิงหาคม2508 250เปิดฉากให้กำลังอาวุธอันเป็นสัญญาณของสงครามประชาชนที่บ้านนาบัวอาเภอเลนูนครจังหวัดนครพนมโดยมีการเรียกขาเนเชิงสัญลักษณ์ ของวันที่7สิงหาคมว่าวันเสียงปืนแตกซึ่งถือเป็นวิกฤตวิกฤตการณ์ทางการเมืองที่รุนแรงที่สุดของประเทศไทยโดยนโยบายทางเศรษฐกิจที่เป็นโน้ะธรรมที่สุดสี่พรรคคนนิสัยประเทศไทยนำเสนอแก้ปัญหาของชาวนาคนยากคนจนที่ไม่มที่ดินทำกินคือการปฏิวัติที่ดินเป็นผลให้มีประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมากซึ่งไม่เคยกั็ซึ่งไม่เคยมีการเคลื่อนไหวทางการเมืองใดๆที่เป็นระบบพรรคการเมืองในประเทศไทยที่มีประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก และมีระบบการจัดตั้งที่เข้มแข็งเช่นพักคอมมิวนิสต์นี้ในประเทศไทยเช่นพักคอมมิวนิสต์นี้ในประเทศไทยมาก่อนเลยอีกทธิการก่อตัวของสงคกาประชาชนดังกล่าวก็เชื่อมต่อกระบวนการคอมมิวนิสต์ในอินโดจีนและกระบวนการคอมมิวนิสต์ตะกลซึพ่อเป็นกระแสความขัดแย้งของโลกในยุคสงครามเย็นที่แบ่งโลกเป็นสองข่ายระบบเศรษฐกิจการเมืองหรือข่ายสังคมนิยมที่มีรัสเซียและจีนเป็นผู้นํากับค่ายคุนนิยมที่มีสหรัฐอเมริกาเป็นผู้นํา โดยสถานการณ์ความขัดแย้งในประเทศไทยที่เชื่อมต่อกับความขัดแย้งของโลกเช่นนี้ทําให้สหรัฐอเมริกาเข้ามามีอิทธิพลในภูมิภาคเอเชียตะวันตกตะวันออกเฉียงใต้เพื่อต่อต้านการขยายตัวของกบนการคอมมิว น, นิสต์สากลโดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐอเมริกาเชื่อในขีนตีดอมิโนว่าเมื่อประเทศในอินโดจีนถูกเปลี่ยนระบบเป็นคอมมิวนิสต์แล้วประเทศไทยก็จะได้รับผลกระทบโดยเปลี่ยนเป็นคอมมิวนิสต์ด้วยและจะเกิดผลกระทบต่อไปยังประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จึงจะเหมือนกับตัวโดเมนโนที่ล้มลงจะต่อกันไปด้วยด้วยเหตุนี้สารรัฐจึงยื่นมือมาจับ ก, กับระบบบริการทหารในยุคจอมพลสฤษดิ์ธนรัฐและหมุนสาบันกษัตริษาที่มีวัฒนธรรมสุดทอดมายาวนานให้สูงเด่นขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติให้เป็นสาบันหลักของชาติในการต่อต้านการขยายตัวของขบวนการคอมมิวนิสต์ในประเทศไทยซึ่งเป็นความลงตัวที่สอดคล้องกันของผลประโยชน์ทางการเมืองระหว่างฝ่ายเจ้าและฝ่ายทหารเพราพรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยมีเป้าหมายที่จะโค่นล้มอำนาจ ทั้งสองฝ่ายเพื่อเปลี่ยนแปลงสู่ระบบสังคมนิยมตามอุดมการณ์ในสถานการณ์ความขัดแย้งของโลกดังกล่าวข้างต้นจนทําให้สถาบันพระมาศาสนาในประเทศไทยที่กําลังฟื้นชีวิตจากการเสื่อมสุดลงหลังเหตุการณ์ปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อยี่สิสี่มิถุนายนสองพันเจ็ดห้าเกิดขเกิดความเข้มแข็งขึ้นด้วยการอัดฉีดของสหรัฐอเมริกาอีกทางหนึ่งเพืโดยไฮโซงพลานุภาพ และจูงใจอำ น, นาจสายทหารให้สยบต่อฝ่ายเจ้าสหรัฐอเมริกาก็ช่วยหนุนช่วยงบประมาณทางการทหารอย่างมหาศ า, แาลแถมแก่รัฐบาลจอมพลสฤษดิ์คณะรัฐที่มีทิศทางสนับสนุนฝ่ายเจ้าด้วยโดในขณะนั้นสหรัฐอเมริกาไม่สนใจว่ารัฐบาลจะเป็นประชาธิปไตยหรือไม่เพราะสถานการณ์โลกในขณะนั้นเป็นสถานการณ์ทางการทหารที่กำลังเขย่าหน้ากันหลังจากเสร็จชิ้นสงครามโลกครั้งที่สอง โดยเหตุ น, นี้อำนาจของฝ่ายเจ้าจึงขยายตัวครอบงำสังคมไทยลักษณะบทบาททางอำนาจเด่นชัดขึ้นจนกลายเป็นระบอบสมบูรณ์นายาสิทธิรที่ลาดใหม่อยู่ในขณะ